ยังคงสงบนิ่งอยู่ลมก็พัดมาเหมือนฝนจะตกลมแรงมากค่ะพร้อมกับเสียงฟ้าร้องเสียงดังหวิดหวิวฟังดูน่ากลัวสักพักหนึ่งก็มีเสียงฝนเสียงลมผ่านต้นไม้ข้างสายลาไหวเอ็นเหมือนปีศาจ ต, ตัวโตกาลังยิงย่างเข้ามาหาเราหลายคนมองหน้ากันเลิอกรค่ะอยู่ๆก็มีเสียงดังคโครมลงนะคะดังอยู่บนหลังคาสังกสีทุกคนตกใจกระโดดกอดกันกลม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 เจ้านบกับเจ้าน้อยก็แยกทางกับคุณเดชแล้วก็น้องสาวไปเนะคะเนื่องจากว่าเดินทางมาได้สักพักหนึ่งน้องสาวบอกว่าเหนื่อยอยากพักสองคนพี่น้องก็เลยนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะปล่อยให้สองคนนั้นล่วงหน้าไปก่อนพอดื่มน้ำเสร็จก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวเดินตามไปก็คงทันทีนี้อากาศเย็นค่ะทำให้รู้สึกง่วงก็เลยจัดการเด็ดใบไ ม, ไม้มาปูสาหรับสองคนพี่น้องเพื่อจะได้นอนพักผ่อนกันสักหีบหนึ่ง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 น้องสาวที่นอนคว่มหน้าอยู่ไม่ยอมลุกค่ะเขย่าวตัวอยู่นานก็ยังไม่ยอมขยับก็เลยตัดสินใจพลิกตัวน้องสาวขึ้นแต่ว่าภาพที่ปรากฏเล่นเอาคุณเดทนี่หัวใจแทบหยุดเต้นมันเป็นใบหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่น้องสาวคุณเดทแทนที่จะเป็นใบหน้าของน้องสาวของเขาแต่เป็นใบหน้าใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ในร่างกายของน้องสาวคุณเดทบอกตกใจกลัวสุดขีดขนลุกไปทั้งตัวตกตะลึงอ้าปากค้างทาอะไรไม่ถูก ขยับร่างกายจะลุกขึ้นแต่ว่าก็ทําไม่ได้เหมือนมีคนกดไหล่ไว้ทั้งสองทางทีนี้แสงจันท์กระจ่างสองสว่างเต็มท้องฟ้าแล้วค่ะอยู่ๆก็มีเมฆดําทะมึนก้อนใหญ่พัดผ่านไปความมืดปกคลุมอยู่ชั่วขณะหนึ่งคุณเดชใจหายวับมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดดําสนิทพอเมฆดําผ่านพ้นไปภาพที่เห็นอีกครั้งคือทําเอาแทบช็อกหมดสติค่ะชาไปทางร่างกายเหมือนกระแสฟไฟฟ้าอ่อนๆแล่นเข้าสู่หัวใจ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 พอแสงสว่างจากตะเกียงสองหน้าเพื่อนๆชัดๆเท่านั้นหละเล่นเอาเย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจเจ้าคนที่ไปอาบน้ำอยู่เมื่อตะกีเนี่ยนอนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับเสียงกรนสนั่งดังกว่าใครอื่นแล้วใครที่เจอที่หลังบ้านคุณสันใจหายว่าเมื่อนึกถึงเรื่องที่เพิ่งเจอมา ส, สดๆร้อนๆข้างนอกนั่น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 คุณแม่กับน้องอกับแม่ของน้องมิวก็เป็นแผนกปิ้งย่างเงินไปส่วนเจ้าของกระทุกับน้องมิวนี่ะคะกะ็แล้วกเ็เป็นคุณพ่อนะคะก็เป็นแผนกกิ น, นะคะ่ะเรียกว่าเป็นแผนกทําลายล้างนะคะคือนั้นคือ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 ซึ่งก่อนจะจบเรื่องนี้น ะ, ะจากเจ้าของกระทูก็บอกมันอาจจะดูเวอร์เกินจริงแต่มันคือเรื่องจริงสำหรับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรนะคะ <c oughs> ก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็พอไม่ต้องติไม่ต้องว่าถ้าเจอกับตัวเองเมื่อไหร่คุณก็จะเข้าใจแหละนะคะขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะเจอกันกระทูหนะ้าขอบคุณด้วยนะคะทีอ่อนุญาตให้นาเอาเรื่องราวเหล่านี้นะะม า, าลงในช่องของพระเจอผีค่ะ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนะคะเป็นเรื่องที่นำมาจาก theclose.com นะคะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นคุณเออายุประมาณ17ปียังทำงานเป็นกู้ชีพในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนั้นประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ า, ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นห่างจากพื้นที่ที่คุณเออยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็ค่อนข้างไกลพอสมควรค่ะ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 คุณเอก็เลยบอกไปรถผมไม่ได้หรอกพี่ผมจะต้องไปรับอีกสองศพแน่พี่เขาบอกว่าถ้างั้นก็เอารถเราไปก่อนแล้วพอรถอีกคันหนึ่งของพี่มาค่อยเปลี่ยนถ่ายกันกลางทางคุณเองก็เลยตกลงตามนั้นพอย้ายศพป้ามารถคุณเองเรียบร้อยแต่พอคุณเอสตาร์ทรถตัวเองคุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณเองก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันค่ะมีพี่คนนึงก็เลยลองไปสตาร์ทรถตัวเองดูอีกครั้งอ้าวปรากฏว่ารถสตาร์ทติดซะงั้นทั้งท้งที่ตอนแรกเนี่ย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 ทางทีมงานกู้ภัยเนี่ยฟังบอกว่ามีคุณป้าเปตะกลเรียกอยู่หน้าบ้านบอกว่ามีญาติมารับศพที่โรงพยาบาลให้เปเซนนำศพออกให้หน่อยเขาเอาศพออกไม่ได้ร้อยเวนก็ถามกลับไปว่าเอาแล้วตอนนี้ญาติเขาอยู่ไหนป้าเขาบอกว่าตอนนี้รออยู่ที่โรงพยาบาลรีบไปหน่อยเขาจะรีบนำศพกลับบ้านกันมันไกล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 พอลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือน้องเขาก็หายไปแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเอกก็รีบทาบุญตักบาตรให้น้องเขาค่ะแล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์กู้ภยัยพอขึ้นไปดูที่กระบาะหลังรถก็ไปเจอเศษเสื้อของน้องเขาหนึ่งชิ้นตกอยู่และคุณเอกก็มาทราบภายหลังว่าสามคนนี้ลุงเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงส่วนน้องสาวก็คือลูกของป้า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 และแม่น้องเขาก็ยอมมาเที่ยวด้วยแล้วก็วันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะลุงกับป้าแล้วก็น้องสาวทั้งสามคนนั่งอยู่ด้านหน้ารถส่วนพี่สาวและพี่เขยนั่งอยู่หลังกระบะแต่ความตายเอาไปแค่สามคนหน้าเท่านั้น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 เวลาประมาณบ่ายโมงค่ะตะปูตัวที่2ก็ปรากฏให้เห็นนะคะคราวนี้หัวตะปูผุดโผล่ขึ้นมากลางกระหม่อมศีรษะอาจารย์สมรทัศน์บอกให้คุณอุบลเนี่ยใช้คีมคีบดึงตะปูตัวนั้นออกมาเมื่อตะปูหลุดออกมาแล้วก็มีขนาดเท่ากันกับตัวแรกแต่ว่าคดงอและก็มีสนิมจับพอๆกันค่ะหลังจากเรียกตะปูตัวที่2 อ, ออกมาได้อาจารย์สมรทัศน์ก็บอกว่าวันนี้หยุดแค่นี้ก่อนในร่างของนายแพทย์สำนวนเนี่ยยังมีของซ่อนเร้นอยู่อีก วันพรุ่งนี้ให้มาพบท่านใหม่จะทำการเรียกของที่เหลือออกมาจนหมดนายแพทย์สำนวนและก็คุณอุบลซึ่งเป็นภรรยาค่ะก็ได้กราบลาท่านกลับบ้าน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 วันรุ่งขึ้นคุณประวัติโชดกําจรนะคะซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับนายแพทย์สานวนบัวพิม ค, ค่ะแล้วก็รับทราบนะคะว่านายแพทย์สานวนเนี่ยจะไปให้อาจารย์สมมทัศน์เรียกของร้ายออกจากร่างกายในวันนี้ก็เลยมาชวนคุณทอเลียงพี่บู์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยกันคุณทอเลียงพี่บูนก็ตกลงว่าจะไปด้วย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 อาจารย์สมมทัศน์บอกคุณทอเลียงพี่บุญซึ่งอยู่ใกล้ๆให้ช่วยถอนตะปูตัวนั้นออกมาคุณทอเลียงพี่บุญก็เข้าไปดึงค่ะโดยใช้มือรวบหัวตะปูแล้วก็ดึงออกแรงๆเนีคะตอนแรกคิดว่าตะปูจะหลุดออกมาง่ายๆทว่ากลับรู้สึกว่าตะปูเนี่ยติดตรึงกับผิวเนื้อดุดตอกติดกับแผ่นไม้คุณทอเลียงพี่บุญจึงดึงเต็มเหนียวจนเซแทบหกล้มแต่ว่าตะปูก็ไม่ยอมขยื่นหลุดออก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 ยิ่งมีตัวตะปูโผล่ขึ้นมากลางศีรษะของนาแพทย์สำนวนและถูกดึงออกมาโดยคุณอุบลภรรยาของท่านหากไม่เห็นกับตาก็คงเชื่อยากเพราะตะปูทั้งตัวจะเข้าไปอยู่ในศีรษะได้อย่างไรโดยไม่มีอาการทางกายระบุว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปฝังอยู่ในส่วนของสมองและลักษณะที่ตะปูยาวถึงสองนิ้วฝังอยู่ใต้กะโหลกศีรษะแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้คุณอุบลดึงจนหลุดออกมานั้น ก็แสดงนะครัว่าตะปูปักเข้าไปในก้านสมองอย่างแน่นอนทำไมส่วนสมองซึ่งมีตะปูยาวขนาดนั้นชํำแรกอยู่แล้วก็ถูกดึงออกมาจึงไม่มีบาดแผลหรือทำลายเนื้อเยื่อสมองแม้แต่นิดเดียวนี่ก็คือความมหัศจรรย์แห่งอิทธิฤทธิ์ทั้งฝ่ายกระทาและฝ่ายแก้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 การเส้นไหวแต่ละวัตถุเครื่องรางของขลังจะเหมือนกันนะคะสําหรับการเส้นไหว้วัวธนูหรือว่าควายธนูผู้ที่เป็นเจ้าของที่เรืองอาคมจะถวายยาคาเจ็ดก้านหรือเจ็ใบา ย, ยาคาแต่ละใบจะขมวดปมที่ปลายและขมวดปลายนั้นกลั้นลมหายใจไปด้วยพร้อมกับบริกรรมท่องพระเวทด้วยคําว่าอุปคุตมัดมานอิมังอังคพันธนังอาทิฐานมิ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 ไม่มีนอกมีในและก็ละความโลภด้วยเมื่อนั้นถึงจะสำเร็จสมปรารถนาตามต้องการด้วยทุกประการนะคะหากจากให้มีพุทธคุณมากขึ้นด้วยเมตตามาหานิยมเป็นเลิศก็ควรจะเสริมด้วยการบริกรรมคาถาบทนี้ค่ะสุวันนะมุขาวาจะงังมะทูสังปียายันติมนานุสสาจะเอกังปียังเอหิ กบริกรรม9้ารอบเหมือนกันหรือว่า9้าคาบเนี่ยนะคะหากต้องการให้ลงอของขลังหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ควรจะบริกรรมประมาณ108ร0 8คาบทุกวันขึ้น8คข้ามแล้วก็ขึ้น15คาข้ามก็คือวันพระนั่นเองค่ะ